5.15 ถ้าเราใช้ชีวิตสมเหตุสมผลเราจะไม่เหนื่อยวงเล็บเปิด7มิถุนายน2550จุดจุดนาที22วงเล็บปิดจริงๆพวกเราภาวนาเพื่อจะไปสู่อิสรภาพถึงวันหนึ่งเราจะเป็นอิสระในขณะที่คนทั้งโลกไม่มีอิสระคนทั้งโลกตกอยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งอื่นหรือคนอื่นอย่างเราต้องอยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุขดังนั้นเราต้องเอาใจคนนี้เราต้องเสียอิสรภาพไปบางส่วน อย่างพวกที่แต่งงานรู้สึกไหมคนที่แต่งแล้วเราสูญเสียอิสรภาพไปบางส่วนเพื่อที่จะได้บางอย่างมานะเพราะฉะนั้นอิสรภาพของชาวโลกนี่ไม่ใช่อิสรภาพที่แท้จริงไม่มีอิสรภาพหรอกแต่ว่าเราภาวนาไปเรื่อยนะว่าหนึ่งใจเราไม่ได้เกาะเกี่ยวกับอะไรเรามีความสุขอยู่ด้วยตัวของเราเองได้เรารู้สึกเลยเรามีอิสระแต่ว่าก็ภาวนากันหลายปีหน่อยแต่ละวันแต่ละวันให้ใจมาอิสระมากขึ้นก็ยังดีนะ ให้ทิศทางของมันดีขึ้นดีขึ้นใช้เวลาค่อยๆเรียนรู้จิตใจตนเองไปจนรู้เลยจิตนี้ไปติดไปข้องไปยึดไปถือสิ่งโน้นสิ่งนี้แล้วจิตก็ไม่มีอิสระภาพจิตมีความทุกข์ขึ้นมาคนในโลกอยากอิสระนะอยากทําอะไรได้ตามใจอยากมีเสรีภาพแต่ไม่มีจริงเราถูกอะไรต่ออะไรจํากัดเราไว้เยอะเลยต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะสุขต้องได้กินอันนี้ถึงจะสุขเห็นไหมเสียอิสระภาพเพราะอาหารแล้วเพราะรถ ต้องไปฟังเพลงนี้ถึงจะมีความสุขนักร้องคนนี้ชอบต้องฟังคนนี้ตกเป็นทาสไอ้คนนี้แล้วต้องหาเงินไปซื้อเทปมันมาแล้วนะหรือต้องได้วัตถุนี้มือถือต้องรุ่นนี้นาฬิกาต้องยี่ห้อนี้กระเป๋าต้องอย่างนี้ไม่มีอิสระภาพเลยชีวิตพึ่งพาสิ่งภายนอกที่เกินจําเป็นไปเยอะแยะเลยเหนื่อยถ้ามนุษย์เราฉลาดนะพออยู่พอกินพอเพียงอย่างที่ในหลวงสอนเราจะไม่เหนื่อยเท่านี้หรอก ทุกวันนี้เราต้องผลิตมากทำงานมากนะเพื่อจะไปบริโภคของส่วนเกินซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรหลายคนทำงานหนักนะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเครียดต้องไปหาหมอซื้ อ, อยาแก้เครียดมากินเห็นไหมทำงานจนต้องไปซื้ อ, อยาแก้เครียดมากินหรือทำงานจนไม่มีเวลาออกกำลังกายต้องเสียสตางค์ไปเข้าฟิตเนสอะไรอย่างนี้นะเราเอาเวลาในชีวิตของเราไปทำมาหากินจนเต็มเหนียวเลยจนตัวเองโทรมไปทุกๆด้านนะทั้งกายทั้งใจ แล้วก็เอาไรได้ที่ได้มานี่นะแก้ความโทรมของกายของใจใช้ชีวิตที่น่าสงสารจังเลยแต่ถ้าไม่ใช้ชีวิตอย่างนี้คนเขาก็ดูถูกอีกว่าไอ้นี่ไม่มีปัญญาถือกระเป๋าถูกจังเอาอย่างพระสิถือย่ามไปไหนก็หิ้วย่ามไปนะพระชุดเดียวเที่ยวรอบโลกเลยกินข้าวก็กินวันลบาดเดียวจริงๆชีวิตคนเราต้องการอะไรไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ความต้องการของตัณหาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดมันเลยเหนื่อย แต่ถ้าเราหัดดูจิต ด, ดูใจรู้ทันตัณหานะตัณหาดับลงไปเราจะดำรงชีวิตด้วยเหตุผลแล้วแค่นี้พอแล้วอย่างใครมาเล่าให้ฟังก็ไม่รู้ว่ามีรถคาละยี่สิบห้าล้านแล้วไปเติมน้ามันเติมผิดประเภทรถเลยพังกลุ่มใจนะไอคนที่เติมน้มันก็กลุ่มใจหนักเข้าไปอีกถามว่าทำไมคนเราต้องใช้รถคาะยี่สิบห้าล้านใช้คลระสี่ห้าแสนได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะว่าที่นั่งในรถไม่ได้เอาไปแต่ร่างกายนะ ไม่ได้เอาก้นไปอย่างเดียวเอาหน้าไปด้วยเลยต้องนั่งแพงหน่อยถ้าเราใช้ชีวิตโดยการรู้ทันใจของเราเราจะใช้ชีวิตสมเหตุสมผลเราจะไม่เหนื่อยเท่านี้หรอกคนทุกวันนี้เหนื่อยเกินไปเครียดนะแล้วก็ชีวิตไม่เห็นอนาคตเลยแต่ละปีแต่ละปีนะรอช่วงวีคเอนในวงเล็บวันหยุดสุดสัปดาห์หรือไม่ก็รอวันพักผ่อนเก็บวันลาไว้เหนื่อยทับตายเลยเพื่อจะได้พักผ่อนไม่กี่วัน หลวงพ่อเคยอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งนะออกไปจับปลานิดๆหน่อยๆนะแล้วกลับมานอนพอดีเศรษฐีไปเที่ยวแถวนั้นไปเห็นเข้าก็เลยบอกว่ายูในวงเล็บคุณทำไมโง่ยู you ทำไมไม่เพิ่มชั่วโมงทำงานขึ้นจับปลาให้นานไม่ใช่จับชั่วโมงสองชั่วโมงพอกินแล้วเลิกบอกยูจับให้เยอะๆสิถามว่าจับเยอะเพื่ออะไรอ้าวจะได้มีเงินเหลือจะได้มีเงินเยอะๆขึ้นพอมีเงินเยอะนะ อยู่อย่างโง่นะอยู่ต้องไปซื้อเรือลำที่โตกว่านี้อยู่จะได้จับปลาได้เยอะกว่านี้อีกนี่แนะเข้าไปเรื่อยนะตาหนี่ก็นั่งฟังไปแล้วอย่างไรอีกล่ะก็บอกว่าต่อไปนะอยู่ไม่ต้องทำเองอยู่ก็เป็นเจ้าของกิจการมีเรือหลายลามีลูกน้องทำยู่บริหารไปแล้วถามว่าสุดท้ายจะได้อะไรก็บอกตอนอยู่แก่ๆยู่จะมีเงินเก็บก้อนเบ้อเร่อเลยแล้วยูจะได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขมากเลยทุกวัน อยู่จะมีเวลาไปนั่งริมทะเลตกปลามีความสุขผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าตอนนี้ฉันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคือคนเราถูกอะไรหลอกก็ไม่รู้อย่าโ ง, ง่ามากนะโง่นิดหน่อยพอ